ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเราควรจะให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้มากการจะทำอะไรก็ดีในหนึ่งวันหนึ่งคืนนั้นเราควรจะมีความใส่ใจเอาจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่เราทำนั้นๆไมันจะทำให้เกิดสติเกิดสมาธิไม่มีอดีตไม่มีอนาคตการที่เรามีความใส่ใจ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 อันนี้เรียกว่าการมีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างมีคุณค่า